ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่94โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP 3แผ่นที่94มีคติธรรมหัวข้อว่าสาธุตัดสระอัทธสน่งการไม่พบ เห็นคนพานเป็นการดีการไม่พบเห็นคนพานภานละชนเป็นการดีภารละชนมันมีทั้งภารละชนนอกมีคนพานในพานทางในใจของเราเราคิดที่ไม่ดีคิดชั่วขึ้นมาเนน่ย น, น, นั่นคือพานภายในใจในเมื่อไปเห็นคนคิดไม่ดีอีกอันนั้นแปลว่าพานภายนอกมันไม่ดีทั้งสองอย่าง คือผ่านมาในใจของเร า, เากิเลสราคะที่กิเตโทสะกิเลสโมหะโลภโกรดหลงในจิตในใจของเราอันนี้ก็เป็นผ่านอยู่ที่อยู่ในใจแต่เราไปเห็นคนทางนอกอีกอมีเรื่องอะไรต่อม่อะไรอีกเพราะนั้นการไม่ครบค้าสมาคมหรือว่าไม่ควรจะเข้าไปใกล้ผ่านเราเราควรจะใช้สติใช้ปัญญา มองดูจิตใจของตนเองด้วยบัณฑิตนักปราดของเราจะเลิศประเสริฐที่สุดแต่ก็ทำได้ยากนะเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ตามเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดในตัวของเราแล้วก็เมื่อการครบค้าสมาคมเราก็พยายามคบค้าสมาคมกับบุคคลที่เป็นผลาญชนน้อยที่สุดเป็นคนเป็นนักบัณฑิตนักปราดมากที่สุด